ความหยุดภาษาบาลีว่าธมะแปลว่าหยุดแปลว่าหยุดยัง้งหมายความว่าหยุดตัวยั้งตัวไม่ให้ตัวถลายไปสู่ความชั่วความผิดความหยุดนี้เป็นคุณสมบัติจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทุกคนเพื่อให้มองเห็นผลถ้าพระเจ้าเคยเปรียบกับรถยนต์ท่านที่เคยฟังมาแล้วคงจะยังจำกันได้ คือรถยนต์ที่เราโดยสารไปนั่นไปนี่หรือวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนถนนนะ่ะใครๆก็ชมว่ามันดีดีกว่าเกวียนซื้อกันด้วยเงินหมื่นเงินแสนทีนี้ถ้าจะมีใครถามว่าความดีของรถคืออะไรอะไรเป็นความดีของมันท่านจะตอบว่าอย่างไรท่านเองก็เคยรู้จักรถยนต์ถ้าไม่มีรถยนต์ก็คงจะเคยโดยสารรถยนต์จริงไหม ทีนี้ถามว่าอะไรเป็นความดีของมันหลายคนคงจะนึกตอบว่าความเร็วนั่นแหละเป็นความดีของรถถูกถูกแล้วรถต้องมีความเร็วจึงจะดีแต่ขอโทษเถอะถ้าตอบอย่างนี้เป็นสามัญใครก็ตอบได้ถูกเหมือนกันแต่มันถูกครึ่งเดียวยังมีความดีของรถอยู่อีกอย่างหนึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังของความเร็ว คนทั่วไปมักจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปเสียทั้งๆที่เป็นความดีที่สำคัญมากสำคัญไม่น้อยกว่าความเร็วถ้าไม่มีลักษณะที่ว่านั้นแล้วเสียรถทั้งคันจะเป็นยี่ห้ออะไรอะไรก็ตามถึงแม้จะวิ่งเร็วยิ่งกว่าลมกรดก็เสียหมดใช้ไม่ได้ท่านที่ยังไม่เคยคิดก็ลองคิดดูสิที่เคยฟังมาแล้วก็ลองทบทวนดูยังจาได้ดีอยู่หรือ ความดีที่ว่านั้นคืออะไรแน่ละ่ะคือความหยุดความหยุดนี่แหละเป็นความดีแฝงอยู่เบื้องหลังความเร็วความดีชนิดที่แฝงอยู่ลึกๆอย่างนี้นักธรรมะต้องหัดมองให้เห็นรถดีไม่ใช่เป็นแต่วิ่งเร็วอย่างเดียวมันต้องหยุดเป็นด้วยถ้ารถคันใดเป็นแต่ยี่ห้อตะบึงหยุดไม่เป็นก็กลายเป็นรถไม่ดี ใครจะกล้าโดยสารรถหยุดไม่เป็นธรรมดารถอย่าว่าแต่หยุดไม่เป็นเลยเพียงแต่หยุดได้ช้าเหยียบห้ามล้อแล้วมันยังวิ่งไปอีกตั้งกิโลสองกิโลจึงหยุดได้อย่างนี้เราก็ว่ามันไม่ดีและมันไม่ดีจริงๆด้วยรถอย่างว่านี้ไปมีอยู่ในเมืองไหนผู้คนก็แย่คงถูกชนตายผลปีและไม่ใช่ตายแต่คนถูกชนแม้แต่คนที่อยู่บนรถเอง ก็แย่เรียกว่าแย่ไปตามๆกันนั่นแหละรถดีจะต้องไปได้เร็วด้วยครั้นถึงที่ควรหยุดก็หยุดได้เร็วด้วยยิ่งหยุดได้ปั๊บทันทียิ่งดีคนขับรถก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นแต่ทําให้รถไปต้องทําให้รถหยุดเป็นด้วยจึงจะเรียกว่าขับเป็นคนเราก็เหมือนกันมีความคิดอ่านรู้จักทำอาหากินอย่างรวดเร็ว ว่องไวดีไม่มีใครว่าไม่ดีพระพุทธองค์ก็ชมเชยแต่ว่าครั้นตัวจะถล่มไปสู่ความชั่วความผิดก็ต้องหยุดเป็นไม่ใช่รู้แต่ทำต้องรู้หยุดด้วยยั้งตัวยั้งใจให้ดีจึงจะดีแท้เล่นกล้องหนึ่งก็แล้วสองก้องก็แล้วกล้องสามก็แล้วกี่กง้งกี่ก้องก็แล้วหยุดไม่ได้สักทีคนห้ามล้อเสียอย่างนี้ จะดีได้อย่างไรถ้าเบรกไม่ดีห้ามล้อไม่อยู่ก็เต็มไปด้วยอันตรายชนนู่นชนนี่ผลที่สุดไม่มีใครชนก็ถลาลงคลองไปเองหาความปลอดภัยไม่ได้ข้าพเจ้าเองเคยโดนมาแล้วขณะที่กำลังขับรถไปตามถนนเกิดห้ามล้อเสียโดยบังเอิญความรู้สึกในขณะนั้นรู้สึกว่าหมดที่พึ่งเอาทีเดียวดีว่าเป็นถนนว่าง ถ้ามีคนพลุกพล่านจะตายไกี่ศพก็ไม่รู้เวลาท่านนั่งรถอย่านึกว่าท่านพึ่งแต่ความเร็วของมันที่จริงชีวิตของท่านฝากอยู่กับความหยุดของมันตัางหากแต่รถถ้าห้ามล้อเสียแม้จะเป็นอันตรายก็ยังน้อยกว่าคนห้ามล้อเสียคือคนหยุดไม่เป็นรู้ว่าชั่วรู้ว่าผิดรู้ว่าไม่ดีแต่ยั้งตัวยั้งใจไม่อยู่รู้ว่า ทะเลาะกันไม่ดีแต่มันอดทะเลาะกันไม่ได้รู้ว่าดื่มเหล้าไม่ดีแต่ก็อดดื่มไม่ได้รู้ว่าเล่นการพานันไม่ดีแต่มันก็อดเล่นไม่ได้ตกลงว่ารู้แต่ห้าม ต, ตัวไม่ได้หยุดตัวไม่อยู่ทำผิดจนได้เรียกว่าหยุดไม่เป็นคนที่หยุดไม่เป็นนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหาความราบรื่นได้ยากอยู่บ้านกับพ่อแม่ก็ทะเลาะ ก, กับพ่อแม่บ้างทะเลาะ ก, กับพี่บ้าง ทะเลาะ ก, กับน้องบ้างหาความราบรื่นไม่ได้ไปบวชอยู่วัดก็ไปทะเลาะ ก, กับสมภารศึกไปทำงานทำการก็ไปทะเลาะ ก, กับเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาแม้มีลูกมีเมียก็สามวันดีสี่วันร้ายทะเลาะ ก, กับเมียบ้างกับพ่อตาบ้างกับแม่ยายบ้างหาความสุขไม่ได้นี่เพราะขาดอย่างเดียวคือความหยุดคราวนี้ จะว่าถึงจุดที่เราจะหยุดที่ว่าหยุดหยุดนะ่ะเราจะหยุดที่ไหนหยุดอย่างไรมัดเท้าไว้ไม่ให้มันเดินไปขโมยมัดมือไว้ไม่ให้มันไปตีหัวเขาอุดปากไว้ไม่ให้มันด่าว่าโกหกตอแหลอย่างนั้นหรือก็ถูกเหมือนกันแต่มันไม่ตรงที่เหมือนเราจะหยุดรถเราก็หยุดได้หลายแห่งเอาท่อนไม้ขวางล้อไว้ก็ได้ เปลี่ยนเกียร์มันเสียก็ได้หากพวงมาลัยให้มันเข้าชนกอไม้ไว้ก็ได้มันก็เป็นการหยุดเหมือนกันแต่มันหยุดไม่ดีไม่เหมาะหยุดช้าไม่ทันการสู้เหยียบตรงที่ห้ามล้อมันไม่ได้การหยุดคนหรือหยุดตัวเราต้องหยุดที่ใจใจมันหยุดแล้วมือเท้ามันจะไปก็เชิญถ้ามันไปได้ ปัญหาสำคัญต่อไปอยู่ที่ว่าเราหยุดไม่ค่อยจะทันใช่ไหมทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้วจึงรู้สึกว่าทะเลาะนั้นไม่ดีตีลูกจนเนื้อแตกแล้วจึงรู้ตัวว่าลงโทษแรงเกินไปหมายความว่ามันผิดไปแล้วจึงรู้ว่าผิดจะทำอย่างไรจึงจะห้ามทันจะพูดถึงหยุดใจขอแวะพูดถึงใจสักนิดจะได้ทราบที่หยุดหม่หม ใจคือสภาพผู้นึกคิดอยู่ในตัวของเรานี้เช่นคิดจะกินคิดจะนั่งคิดจะนอนและอื่นๆผู้คิดนี้เรียกว่าจิตหรือใจตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นใจเราคิดอะไรๆติดต่อกันมาเรื่อยตั้งแต่ตื่นขึ้นคิดจะลืมตาคิดจะเลิกผ้าห่มคิดจะลุกจากเตียงคิดจะเข้าห้องน้ำคิดจะแปรงฟันคิดจะล้างหน้าคิดจะอาบน้า ที่จะแต่งตัวและอื่นๆนี่ว่ากันแต่หัวข้อที่เราคิดคราวนี้ว่ากันให้ละเอียดเข้าไปอีกเราคิดเรื่องเหล่านี้เรื่องหนึ่งๆนั้นเรายังมีความคิดแยกออกไปอีกเช่นเพียงแต่เรื่องแปลงฟันหยิบแปลงขึ้นมาเห็นแปลงมันขนร่วงหมดเราก็นึกว่าแหมแปลงบริษัทนี้ไม่ได้ความ โฆษณาหลอกลวงให้เราหลงซื้อวันนั้นเราว่า จ, จะไม่ซื้อแล้วแต่เจ้าคนขายมันบอกว่าดีมันโกหกเราร้านนี้ไม่ดีนี่นี่ความคิดมันเริ่มออกนอกเรื่องเสร็จแล้วก็กลับสู่เรื่องแปลงฟาหนับน้าตามสภาพเดิมพอไปเจอจุดกระทบมันก็ฟุ้งไปอีกเช่นจะแต่งตัวดึงเอาเสื้อผ้าออกมาจากตู้ ว่ารีดไม่เรียบนึกต่อไปถึงคนรีบเมียเราแกทำอะไรนะวันยังคํำไม่เห็นทำอะไรเสื้อผ้าไม่รู้จักดูแลให้ดีหมเมียคนนี้เป็นอย่างนี้เสมอนี่ชักจะออกนอกเรื่องไปอีกเสร็จแล้วความคิดก็วกกลับเข้าสู่รอยเดิมอีกสรุปแล้วความคิดของคนเรามันเกิดเป็นห่วงๆคือห่วงดีกับห่วงเสีย สลับกันดีเสียดีเสียดีเสียและอื่นๆถ้าเขียนลงไปเป็นรูปก็เป็นสีขาวดำขาวดำขาวดำสลับกันไปถ้าเราใช้ความคิดในทางดีนานๆห่วงคิดสีขาวก็ยาวถ้าเราคิดในทางผิดนานๆห่วงสีดำก็ยาวคนทำความชั่วร้ายต่างๆนั้น ทำได้เฉพาะในขณะที่ตกอยู่ในห่วงคิดสีดำเท่านั้นบางทีคิดจะทำชั่วแต่ห่วงคิดดำสลายตัวไปก่อนก็ยังไม่ทำชั่วเพราะเกิดห่วงคิดสีดำขึ้นอีกในจังหวะต่อไปจึงทำความชั่วต่อไปอีกสังเกตดูตัวเราเองก็ได้คนที่มีลูกแล้วถ้าเห็นลูกทำความผิดเราเกิดความเดือดรานอย่างแรง เรียกว่าห่วงคิดชั่วกําลังเกิดขึ้นเล่นงานเราถ้าเราเรียกตัวมาสอบสวนลงโทษในขณะนั้นการลงโทษมักจะแรงมากถ้าเราถ่วงเวลาไว้เลื่อนเวลาพิพากษาไปก่อนคืออย่าเรียกตัวมาทันทีรอไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนหรือถ้าเป็นคดีสําคัญสําคัญรอไว้สักวันสองวันจึงดําเนินการพิจารณาเราจะได้รู้สึกว่าให้ความยุติธรรมแก่เด็กดีกว่าระยะก่อน คุณเองเคยไหมคือลงโทษเด็กไปแล้วที่หลังรู้สึกว่าเสียใจว่าแรงไปหน่อยการที่เรารอไว้จัดการช้าๆหน่อยนั้นเราทําได้ดีเพราะห่วงคิดชั่วสลายตัวไปแล้วเรามาอยู่ในห่วงคิดดีการที่ทําก็ดีขึ้นนึกดูอีกทีหนุ่มสาวที่หนีตามกันไปแล้วหลบหน้าไปอยู่ที่อื่นสักสามเดือน6เดือน จึงพากันกลับไปกราบพ่อตาแม่ยายก็ได้รับความเอ็นดูและปลอดภัยถ้าสมมติว่าหนีไปคืนนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาไหว่มีหวังเจ็บตัวปะเหมาะอาตายก็ได้เพราะพ่อแม่เขายังไม่เปลี่ยนห่วงคิดทีนี้ทำอย่างไรห่วงคิดชั่วมันจึงสลายตัวลงได้ก่อนที่จะถึงความวินาศยากตำราท่านสอนให้คิดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์นั้น เช่นกําลังโกรธก็นึกเมตตาเป็นต้นดีเหมือนกันแต่เวลาปฏิบัติไม่ค่อยทันควันกว่าจะทันก็เป็นคีดเท่าเสียแล้วคล้ายกับบอกว่าไฟไหม้บ้านต้องเอาน้ําดับถูกแต่ธรรมดารถดับเพลิงต้องมาถึงที่เกิดเหตุหลังเพลิงไหม้ทุกคราวรถดับเพลิงจะไปถึงก่อนไฟไหม้ไม่ได้ผิดธรรมเนียมว่าถึงวิธีทําลายห่วงคิดในการปฏิบัติคือ นี่เป็นความเห็นส่วนตัวที่ได้จากการปฏิบัติลองทำอย่างนี้ก็พอจะได้ผลเหมือนกันคือเวลาเรารู้ตัวว่าห่วงคิดชั่วเกิดขึ้นแล้ววิธีที่1นึงเปลี่ยนอิริยาบถเช่นกำลังนั่งให้ลุกเดินไปมาหรือเปลี่ยนเรื่องดูเรื่องฟังถ้ากำลังอยู่ว่างๆให้หยิบหนังสืออา่านหรือทำงานอะไรอย่างหนึ่ง ให้มันเป็นการเปลี่ยนจากปกติห่วงคิดของเราจะเปลี่ยนไปวิธีที่สองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถ้าท่านกำลังตกไปสู่ห่วงคิดชั่วที่แรงขึ้นทำตามวิธีที่หนึ่งไม่หายต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจต้องอาบน้าผลัดเครื่องแต่งตัวเสียใหม่ถ้าคนตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องยังอยู่ต่อหน้าเราเช่นลูกหรือคนใช้บอกให้เขาไปเสียที่อื่น บางทีโมโหอยู่ในบ้านออกจากบ้านไปเสียสักครู่แล้วห่วงคิดชั่วก็สลายตัวหรือเพลารงวิธีที่สเลื่อนเวลาคือถ้าสิ่งที่จะทำในขณะนั้นมันเป็นเชื้อของห่วงคิดชั่วอย่าเพิ่งทำเลื่อนไปก่อนอย่างที่ว่ามาแล้วเช่นมีใครฟ้องเราว่าคนนั้นคนนี้ทำผิดแทนที่เราจะบอกว่าไปเรียกมันมา คือแทนที่จะจัดการทันทีก็เอาเพียงรับทราบว่าแล้วจะจัดการนี่จะเอาเป็นกฎเกณฑ์นักก็ไม่ได้เป็นเพียงวิธีแก้เฉพาะหน้าแทนที่จะปล่อยตัวให้ถลําไปสู่ความชั่วร้ายชนิดหัวชนฝาทุกวันนี้ข้าพเจ้าใช้วิธีนี้ก็รู้สึกว่าได้ผลดีเหมือนกันท่านที่รักคนเก่งนั้นต้องเก่งทั้งไปเก่งทั้งหยุด จึงเรียกว่าเก่งแท้ลองสำรวจตัวของเราสิมีอะไรบ้างที่เรากำลังจะเสียติดสุราติดการพนันคิดร้ายคนอื่นคิดจะขาดหนีโรงเรียนคิดช่อคิดโกงคิดหากินในทางทุจริตคิดจะไปข่มเหงรังแกเอาเปรียบคนอื่นมีหรือเปล่าถ้ามีหยุดเสียหยุดได้ไหมต้องหยุดให้เป็น หยุดไม่เป็นก็เหมือนรถไม่มีห้ามล้อลองฝึกหยุดเสียแต่วันนี้อย่าลืมว่าชีวิตของเราไม่ใช่จะพึ่งแต่ความก้าวหน้าอย่างเดียวแต่เราต้องพึ่งความหยุดด้วยโลกนี้ทั้งโลกก็เหมือนกันถ้าคนในโลกไม่รู้จักหยุดเป็นป่านี้ปนปี้หมดแล้วไม่ต้องคิดอื่นไกลแค่สงครามโลกครั้งที่สองถ้าป่านี้คู่สงครามทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมหยุด แผ่นดินก็ไม่กลายเป็นป่าช้าไปหมดแล้วหรือท่านผู้ฟังเห็นหรือยังว่าความหยุดเป็นสิ่งจำเป็นแก่ทุกๆชีวิตและแก่โลกเพราะฉะนั้นเชิญสำรวจตัวเองดูมีสิ่งใดที่ท่านควรจะหยุดและพอจะหยุดได้ให้หยุดเสียความหยุดนั่นแหละจะทำให้ตัวท่านปลอดภัยขึ้นอีกความหยุดของท่านจะทาให้ครอบครัวของท่านสดชื่นขึ้นและความหยุดของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้โลกเย็นลง ลองเอาแป้งเขียนคำว่าหยุดไว้ที่หน้ากระจกหรือที่บานประตูก็ได้อ่านบ่อยๆเป็นยันป้องกันโลกาวินาศดีนะักวันดีคืนดีจบ